พัฒนาใจของเหล่านั้นให้สูงขึ้นเพราะเป็นโอกาสที่ดีว่าเมื่อเราเป็นผู้มีบุญวัฒนานั้นมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ทั้งทางร่างกายด้วยแล้ได้พัฒนามาเป็นมนุษย์ทางด้านจิตใจที่เกิดเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงทางด้านจิตใจนั้นนะก็คือเรามีคุณธรรมคือคุณงามความดี เนือมีสินห้าประการตั้งแต่ว่าปานาติปาตาไปจนถึงสุราเมรรยะพวกที่มีสินห้าประการนะในจิตใจแล้วคธรทำความดีที่เราจะพัฒนาให้สูงขึ้นไปที่จะมีธรรมะในใจนั้นเพื่อจะพัฒนาใจให้เข้าไปสู่แก่นของพุทธศาสนา ซึ่งการเจริญสมาธิภาวนาจะเป็นการพัฒนาใจนั้นให้มีความสงบระงับจากนิวร์ธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องกลางกั้นคุณงามความดีในใจของเราอยู่เสมอเมื่อเรามีทานเป็นปกติความตนีที่เหนียวนั้นก็ ถอยห่างไปจากจิตใจและลดน้อยถอยลงไปแต่ว่ากิเลสคือความโลภกดหลงนั้นยังมีอยู่แต่เราก็ละกิเลสไปได้บางส่วนบางประการคือความตณีที่เหนียวในทรัพย์สมบัติทั้งหลายเมื่อเรามีจิตใจที่ดีงามมีความเสียสละเป็นปกติมีจาคะความเสียสละทั้งทรัพย์ สิ่งของภายนอกทำบุญทำทานเอาไว้ในพระพุทธศาสนาหรือสร้างศาสนวัตถุให้มีความเยนยงคงมั่นในด้านวัตถุทั้งหลายเพื่อจะได้เป็นสถานที่ที่เราจะได้มาบาเพ็ญในการสร้างความดีในการให้ทานสมทานสิี่และการบาเพ็ญภาวนาก็สะดวกอย่างคิดว่าพวกเรานนี้ก็คงเคยร่วมสร้างบ้าง เป็นประธานการก่อสร้างการสร้างวัดการสร้างสรากุติวิหารหรืออุโบสถซื้อที่ดินถวายวัดเราก็เคยทำกันมาเป็นประจำตลอดจนถวายในปัจจัย4ถวายพัทหารอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรานัเป็นฝ่ายคารวดก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติด้วยมีหน้าที่ที่สาคัญเราก็จะได้ สร้างความดีถาวายปัจจัยสี่เอาไว้ในพุทธศาสนาเพื่อพุทธศาสนานั้นยืนยงคงมั่นได้ตลอดไปเพราะบุคคลที่จะมาปฏิบัติก็ต้องอาศัยในปัจจัย4ี่ตอนอย่าพ่อพระพิสุทธสมณเณรจะได้มีโอกาสเรียนรู้ในด้านปริยัติธรรมก็ดีเพื่อเรียนรู้ในด้านการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดี นั่นก็ต้องอาศัยในปัจใจสี่ท้งนั้นอันนี้ก็อาศัยความเมตตานะของญาญมทั้งหลายที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เช่นในสมัยพุทธกาลท่านอนาถวินิกาเศรษฐีก็ดีนวิสาขาหมาวาสิกาก็ดีก็เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้สร้างความดีสร้างฐานบารมีเไว้เป็นตัวอย่างอดี ต่อนุช น, นรุ่นหลังต่อบาสกบาสิกาลุ่นหลังเมื่อเราได้ประเพจนี้ก็ここเรียกว่าเรามีปฏิปทาเหมือนท่านอนาถวาินาิการเศรษฐีหรือนางวิสาขาเมอบาสิกาเป็นต้นเมื่อพระเจ้าประสงนั้นมีโอกาสมีเวลาแล้วท่านก็จะได้ประเพฤติปฏิบัติแสวงหาซึ่งธรรมซึ่งการแสวงหาซึ่งธรรมอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าอย่าพระุทธสุตมณ ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติบำเพ็ญกันทุกวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนก็ดีก็มีโอกาสที่จะสแสวงหาธรรมเหมือนกันเพราะมรรคผลนั้นไม่ใช่เฉพาะพระิสุทธสัมเน็นมรรคผลจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยผู้ที่ประพฤติปฏบิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาหรือใน อริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานมีความเห็นที่ถูกต้องมีความดำํำริที่ถูกต้องที่จะไม่เบียดเบียนหรือไม่ดำํำริไปในความยินดีในการมมุ่งปฏิบัติมีสัมมาวาจาอยู่ในศีลในธรรมมีความเพียรพยายามในการมาพิจาปฏิบัติการหาเลี้ยงชีวพด้ยวยความซื่อสัตย์สุจริตก็จะทําให้เกิดความสงบสุขไม่เดือดร้อน เมื่อมเป็นภาวนาปฏิบัติไปแล้วมีสติคือความะระลึกได้อยู่เสมอในกายในกา ย, ยานุปัสนาสติพฐานในกายนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกอย่างนี้เป็นตน้นก็เป็นกายหรือจะพิจารณาก้อนกายนี้เป็นาธาตุเป็นสุภะก็ดีก็คือกายก้อนนี้นั่นเอง เมื่อเรามีสติอยู่กับกายการเคลื่อนไหวไปมาต่างๆจนว่าสตินั้นแนบแน่นกับใจเมื่อสติแนบแน่นกับใจแล้วความตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เกิดขึ้นสามารถข่มความรู้สึกหรือนิวรณ์ธรรมทั้งหลายเอาไว้ได้ซึ่งนิวรณ์ธรรมนี้ก็เป็นอารมณ์ที่เคยชินกับจิตมานาน จิตจึงชอบที่จะมีความยินดีในรูปเสียงกิริดพรสผภัพธรรมรมมีความโกรธความพยาบาทความุโกิจใจความฟุ้งซ่านลำคาญใจความง่วงเอาจริอนอนในเวลาปฏิบัติเราเ็นความรังเนสงสัยในเรื่องต่างๆที่จิตนี้มีอารมณ์ทั้ง5ประการนี้อยู่เสมอจนเป็นเพื่อนสนิทมิสหายความเคยชินกันมานานแต่เมื่อจิตของเรามีสติ สมาธิน่ะตั้งมัน่นอยู่กับใจแล้วมีความสงบก็สามารถข่มกิเลสเอาไว้ได้นิวรธรรมทั้งห้าประการก็ถอยห่างออกไปจาก จ, จิตใจเพียงะการเจริญซึ่งสติการทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธินี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอาศัยเพียงแต่ว่าเราทำทานอย่างเดียวเราจะ เห็นมรรคผลที่ผ่านได้ไหมเห็นธรรมะได้ไหมก็เห็นได้แต่เมื่อทําทานแล้วก็เห็นว่าการสแสวงหาทรัพย์ทั้งหลายในโลกที่สแสวงหามาได้ถึงได้มาเราก็จะทําบุญทําทานมีจิตใจเสียสละอยู่เสมอพอพิจารณาถึงความเป็นจริงว่าพวเราเกิดขึ้นมาก็แก่แก่ก็เจ็บเจ็บก็ตาย ทุกคนเมื่อตายแล้วก็เอะไรไปจากโลกนี้ไม่ได้ทรัพย์ทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ก็ต้องคงเอาไว้โลกนี้เหมือนเดิมแม้แต่ร่างกายที่จิตอาศัยอยู่ก็เอาไปไม่ได้ก็คงจะต้องทิ้งเอาไว้ในโลกนี้และทรัพย์อันเป็นวัตถุภายนอกจากร่างกายจะไปได้อย่างไรเมื่อบุคคลอย่างนี้พิจารณาแล้วนะ ก็เบื่อหน่ายคายความยินดีในทรัพย์ทั้งหลายมีจิตใจมุ่งมั่นในการสร้างบุญสร้างคุศรนอยู่เสมอเช่นธนนาถาววนกาเศรษฐีแม้ว่าฐานะจะยากจนลงก็ยังทำบุญใส่บาตรเป็นประจำด้วยศรัทธาความเชื่อความน่อมใสที่มีในใจของท่านนั้นไม่เสื่อมคายจากพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์น่วมีศรัทธามั่นคง เอาใจของท่านนั้นมารู้ซึ่งความเป็นภาระบุคคลในพุทธศาสนามาเห็นธรรมะเห็นความเป็นจริงเห็นรลปเห็นนามเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาหาสาระหาแก่นสารที่เที่ยงแท้ถาวรไม่ได้ถึงจะมีทรัพย์มากมายเป็นร้อยล้านพันล้านบ่นล้านแต่ถ้าไม่ได้สร้างประโยชน์เอาไว้แล้ว ตายไปก็มีมีใครที่จะสรรเสริญแต่ท่านอนาถมาินทกระเศรษฐีนี่มีคนสรรเสริญจนถึงปัจจุบันก็เพราะว่าท่านได้ทําทานนบ ร, รมีถาวายทานต่อพระพุทธเจ้าต่อพระพิสุสงุ์ตลอดจนคนยากไร้อนาถาทั้งหลายอยู่เป็นประจําจึงได้ชื่อว่าท่านอนาถมินทกระเศรษฐีเศรษฐีอันเป็นที่พึ่งนะ ด้วยก้อนข้าวให้กับคนยากจนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็มาพิจรารณาดีว่าชีวิตของเรานี้ก็จะต้องตายไม่ได้ตายเฉพาะท่านอาณาบินกาศเศรษฐีหรือนางวิสาขามาบสิกาชีวิตของพวกเราทุกคนนี้เกิดมาก็จะต้องตายต้องพบกับความตายเราก็จะเอาอะไรไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจ ในหลักพิทิยาการต่างๆเมื่อเราเอามาทําเป็ น, ป ร, นประโยชน์เอาไว้ต่อโลกทําประโยชน์เทวไว้ต่อคนอื่นแล้วก็จะเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่มากกับใจของเราหรือเรามีทรัพย์ก็แบ่งส่วนหนึ่งในการสร้างความดีจาเกิดประโยชน์มากผู้ที่ให้นี้ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับการความรักกลับมาเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรานี่ มีฐานะบา ร, รมีหรือจากค้าเสียสลับเป็นประจำพิจารณาเงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมีทรัพย์ถลายเรวก็ต้องทำบุญทําทานสร้างความดีเอาไว้ในโลกนี้ความโลภนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นความโลภะที่จะเอาทรัพย์ของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราก็ไม่เกิดขึ้นไม่เพ่งเล็งทรัพย์ของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราอันนี้ก็ใจก็เป็นสัมมาทิฏฐิ บุคคลที่จะเพ่งเล็งเอาทราบคนอื่นมาเป็นของเราก็คือมีความโลภเป็นวิชาทิฏฐิทางใจแม้ทําไปทําทางกายวาจาก็เกิดขึ้นทางใจแต่เมื่อเราทําทานเป็นประจำเสียสละเป็นประจำใจของเราก็ดีใจของเราก็งามเมื่อเราจะมาบําเพ็ญปฏิบัติฝึกการสมาธิก็เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าใจนี้มันไม่มีความโลภ ไม่คิดที่จะเบียดเบียนนักใจก็เป็นสมมาทิฏฐิมีความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องของกรรมเมื่อเชื่อเรื่องของกรรมความดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็พยายามราชั่วทำดีสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอโดยเฉพาะว่าการปฏิบัติการให้ทานนี้ทำเป็นประจำอยู่ไม่ได้ขาด เมื่อผู้ที่ทำทานเป็นประจำไม่ได้ขาดแล้วจิตก็จะรู้จักว่าการทำทานอย่างเดียวใจก็ยังไม่สงบใจยังคิดกัดแกว่งป่งแต่งไปในอารมณ์ทั้งหลายอยู่เสมออุบายวิธีที่จะทำจิตให้สงบพระพุทธเจ้าจสอนด้วยอุบายวิธีหลายสิ่งหลายประการในกรรมฐาน40ก่กองเมื่อเรานี้มีความถนัดอยู่ในกรรมฐานกองไหน เราก็ทกํากรรมาฐานกองนั้นให้มากเช่นการกําำธรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาว่าโธก็ให้มันบําเพ็ญภาวนาหรือว่าปฏิบัติทําจิตของเราให้สงบยืนเดินนั่งนอนก็บริกรรมภาวนาทําจิตของเราสงบนั่งับจากนที่วานทาทั้ง5ประการให้ได้ หรือว่าเราจะควมพิจารณาในกายข้อนนี้คีว่ากายก้อนอนี้มันจะต้องตายชีวิตนี้จะต้องตายไม่สามารถพ้นจากความตายไปได้เพราะชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนจิตก็จะสงบระงับเข้ามาจากเนื้วัทั้งหลายก็เป็นสมถะกรรมาฐานเหมือนกันการพิจารณากายเป็นก้อนธาตุจนจิตสงบก็เป็นสมถะกรรมาฐาน กองดินกองน้ากองไฟกองลมนี่เป็นธาตุทั้งสีนี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็เป็นสมถะกรรมาฐานนีร่างกายเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามก็เป็นสมถะกรรมาฐานให้เราพยายามพิจารณาหรือกำหนดพิจารณามรรรมภาวนาให้สงบนะเมื่อจิตของเราสงบดีแล้วนิวรณ์ธรรมทั้งหลายไม่กำเนิบ เราก็มาฝึกหัดพิจารณาในแง่ของปัญญาอารมณ์ที่ให้เกิดปัญญานั้นก็นนคืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขงังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพิจารณาก้อนกายในรูปนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือจะพิจารณาในใจว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับใจบางครั้งใจนี้ก็รู้สึกว่ายินดี บางครั้งรู้สึกยินร้ายรู้สึกนักเกลียดชอบชังต่างๆนะเกิดกับจิตใจเนี่ยก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลยเมื่อศีลสมาธิปัญญาเดินในใจแล้วกิเลสไม่เกิดเสร็จแล้วก็ดับไปอีกแล้วเคยขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปอยู่เสมอเนี่ยในมัจจนี้ในจิตน้ศักตวะวจายนะไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ตรงนเหสักแต่ว่าตรงนี้เป็นปัญญาให้จิตของเราละวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามเห็นกายก็สักแต่ว่ากายนะว่ากา ย, ยานุปัสสนสติปัฏฐานกายสักแต่ว่ากายไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้เป็นตน้นะก็จะเห็นแจ้งชัดขึ้นมาว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน แม่เจสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยให้หมันพิจารณาศึกษาค้นคว้าเข้ามาพยายามปฏิบัติแม้เราจะมีหน้าที่การงานมากมายก็ตามก็ให้พยายามศึกษาในการปฏิบัติภาวนาให้มากด้วยเพราะอะไรเพราะว่าวันคือล่วงไปล่วงไปนี่ชีวิตของเรานี่ยก็ล่วงไปด้วย นะความแก่ความเจ็บความตายก็เข้าใกล้เข้ามาทุกขณะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอีกสักปีหนึ่งเราจะเป็นโรคไร้แรงนะซึ่งรักษาไม่หายอี่สัก5ปีโรคไร้แรงเกิดขึ้นมาเราก็จะต้องตายอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งมันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่บางทีดูร่างกายเราเข้มแข็งดีแข็งแรงดีนะแต่ว่า ความแก่ความเจ็บความตายรออยู่ข้างหน้าเราก็ไม่รู้นะตายเมื่อไร่เราก็ไม่รู้นะ ต, าารรารตายเวลาไหนตายสถานที่ไหนเราก็ไม่รู้นะัเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมืดผู้รู้แจ้งเนี่ยมีน้อยมืดอย่างไรมืดเพราะว่าออปทานความยึดมั่นถือมั่นมันนี่คือเราของเรานะทำให้ใจมันมืดมันหลงได้นะ โลกนี้มันมืดพระพุทธเจ้าแต่ว่าโลกนี้นะมืดมืดผู้ที่จะรู้แจ้งโลกนี้เห็นความเป็นจริงของโลกนี้มีน้อยแต่ถ้าเรามันพิจารณาอยู่ทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราก็จะเข้าใจเนื้อเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าได้มากขึ้นทุกวันทุกวันแต่ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วในสมาธิ เราก็ปล่อยไปอีก7วัน10วัน15วันแล้วเราก็มาภาวนาเริ่มต้นใหม่อย่างนี้การปฏิบัติภาวนาก็เป็นไปได้ช้าเห็นผลได้ช้ามากเราจึงจ้องต้องทำให้ติดต่อเนื่องกันนะไม่ประมาทพิจารณาถึงแม้ว่าไม่สงบนะก็ต้องพยายามปฏิบัติศรัทธาความเชื่อความเรื่มใสของเราเนี่ย ที่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าคําคสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่ท่านพระ อ, องค์นั้นตัดไว้แท้แทน่นอนแล้วเป็นความจริงด้วยเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราต้องมีความเพียรแต่เมื่อเรามีความเพียรเนี่ยตั้งใจทําความเพียรหนึปี2ปี3ปีนั้นเรารู้สึกว่าไม่เห็นผลความเพียรก็เลยถอยลงมาศรัทธาก็ถอยไป ครูบาอาจารย์ท่านก็ยกตัวอย่างว่ามันเอาไม้มาสีกันนั่นแหละนะไม้ลำปอไม้ไผ่มาสีกันให้เกิดความร้อนให้เกิดไฟถ้ามันยังไม่มีความร้อนนะไม้นั้นยังเปียกชื้นอยู่มาสีให้เกิดไฟมันก็เกิดได้ายากมันเลต้องเป็นไม้ที่เอ่ขึ้นมาจากน้ําน้าไม้นั่นก็แห้ง เมื่อเราสีไฟไปต้องใช้เวลาให้เกิดความร้อนขึ้นมาจนไฟนั้นเกิดขึ้นมาได้เมื่อเร า, ามีความศรัท ธ, ธามีความเพียรแล้วต้องทำความเพียรไม่หยุดนะทำให้ต่อเนื่องกันด้วยเมื่อเราทำความเพียรต่อเนื่องในวันใดวันหนึ่งไฟไงก็ต้องเกิดขึ้นได้เมื่อเราสีไฟด้วยไม้ไผ่นั้นไม่หยุดตามความเพียรอย่างต่อเนื่องสมาธิก็จะต้องเกิดขึ้นมา ไม่มากก็ น, น้อยต้องเกิดขึ้นมาให้เราเห็นได้บ้างว่าสมาธิเป็นอย่างนี้นะจิตที่สงบปราศจากเนวอนทั้งหลายทั้งห้าประการเนี่ยทำให้เราเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาความอิ่มใจสุขใจนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะเรามานั่งบริกรรมภาวนาพุทธโธนะมาทีเราทาทาน ล้วก็เกิดความสุขใจเราสมาทานศีนลเราก็เกิดความสุขใจอิ่มใจเราฟังธรรมแล้วก็เกิดความสุขใจได้เพราะการฟังธรรมด้วยการกำหนดสติไปด้วยก็เป็นการภาวนาจิตของเราไม่วอกแวกส่งไปคิดในเรื่องอื่นตั้งสติอยู่ในการฟังธรรมหรือว่าฟังธรรมแล้วบางครั้งไม่รู้เรื่องในที่ทานเทศเลยเห็นแต่เสียงมากระทบ เกิดดับเกิดดับก็ยิ่งดีก็แสดงว่านั้นเป็นสิ่งที่เราได้เห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็พยายามปฏิบัติภาวนาอย่างนี้นะให้ต่อเนื่องไปเมื่อจิตสงบมีเปรตีมีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วเราเห็นได้ว่าจิตที่ปัสจากอิเลชัชวข่าวเป็นอย่างไร แล้วจิต ท, ที่สงบแล้วนํามาพิจารณากายเห็นว่ากายก้อนนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมัตุสิ่งของภายนอกที่เรายังยินดีอยู่นั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหาสาระหาเกล็ดสารไม่ได้จิตใจนั้นก็มีปัญญาเกิดสว่างสวยปลอดโปร่งจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเราก็จะเข้าใจแนวทางปฏิบัติได้น้ว่าตรงจิต ท, ที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นตรงนี้รู้สึกว่า มันปลอดโปร่งดีมากจิต ท, ที่สงบเพราะอารมณ์ของสมถะกรรมาฐานมันก็มีความสงบได้ระดับหนึ่งเราก็ต้องเน่งปฏิบัติภาวนาเมื่อมีโอกาสเวลาการทำคุณงามความดีก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะทานการให้ในพุทธศาสนาการช่วยเหลือสังคมการให้วิทยาทานความรู้ทั้งหลายก็เป็นฐานเมื่อเราได้บำเพ็ญปฏิบัติตนจิตสงบ ขึ้นมาแล้วปัญญาเกิดเช่นนี้เราก็จะรู้ว่าความยินดีนั้นเกิดขึ้นจากตัณหาทำให้เกิดเพทนาความยินดียินร้ายเกิดอุปทานเกิดพบเกิดใช้ขึ้นมาเราจะต้องละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นให้ได้โดยการปฏิบัติตามหลักของศีลธรมที่ระกับปัญญาว่าอริยมรรคมีองค์8ประการเมื่อเราดำเนินอย่างนี้แล้วนะ ดำเนินในทางที่ถูกต้องอยู่เราก็เห็นความถูกต้องมรรคผลนั้นไม่พ้นสมัยถ้าพวกเราปฏิบัติตามนี้แล้วก็จะต้องเห็นธรรมะยังขอให้พวกเรานนั้ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติภาวนาจะกําหนดกรรมาฐานกองไหนก็ตามก็เป็นอุบายวิธีให้สงบแล้วก็ยกขึ้นสู่วิปัสสนาคืออารมณ์จังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์พิจารณารูปแล้วกับน้ําเราก็จะเห็นว่า รูปนี้ก็สักตะวัรูปน้ำก็สักตะวันน้ำไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจิตก็จะสงบจากเกลยียดทั้งหลายเพราะเราได้เห็นธรรมในเบื้องต้นเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือดวงตาปัญญาของเรานั้นน่ะนะเห็นธรรมนั่นเองเมื่อพวกเราปฏิบัติอย่างนี้นะจิตที่ของจิตของเราที่เป็นมนุษย์ จิตของเราจะพัฒนาขึ้นเป็นจิตของเทวดาเทวเทวดาเป็นผู้มีคุณธรรมมีเฮลิความรายโอตะปะความเกรงกลัวต่อบาปเมื่อจิตมีความเกรงกลัวรายต่อบาปแล้วจิตเป็นเทวดานะต่อไปจิตก็สูงขึ้นไปจิตก็มีธรรมะนะเกิดขึ้นในใจนั่นเองจึงขอให้ญายมทั้งหลายพัฒนาดวงจิตดวงใจของเราเนี่ย นะให้สูงขึ้นสูงขึ้นไปตามกําลังศรัทธาของเราและก็มีให้มากขึ้นย้ายศรัทธาของเรามันเสื่อมถอยไปให้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นแฟน้นเป็นอาจารจรสัทธาศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเพราะเรามีความเชื่อในเบื้องต้นและเราก็มีความเชื่อโดยปัญญาด้วยเพราะเราเห็นเองในหลักของการปฏิบัติภาวนาจนจิตใจของเราเกิดความสงบเกิดปัญญา เป็นปจัจจตังแก่ตัวเองเป็นปจัจจตังเวทีตะโพวิโยหินั่นเองนะก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้ด ว, <anie> ดวงตาเห็นธรรมเท่า ก, กัน ท, กทุกท่านเถิด